กองทัพธรรม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 มีโรงดินจำหน่ายอาหารมุงด้วยหญ้าแฝกขนาดใหญ่หลายหลังติดกันซึ่งทมดินไว้สูงในภายในและใช้พื้นดินนั้นเป็นที่ตั้งต่างสําหรับนั่งและต่างสําหรับวางอาหารการทมดินในภายในไว้สูงก็เพื่อป้องกันความชื้นแฉะในฤดูฝนและกันน้ําท่วมในฤดูน้ําหลากโรงแฝกเหล่านี้เป็นทุกอย่างที่เจ้าของปรารถนาจะให้เป็นคือ เมื่อดวงตะวันอัสดงแล้วประตูพระนครปิดแล้วคนเดินทางต่างแดนที่เข้าสู่พระมหาคนครไม่ทันอาจเช่าเป็นที่พักค้างแรมเพื่อรอเวลารุ่งสว่างในการพักแรมนั้นมีเตียงไม้ซึ่งใช้เชือกปอถักขึงเป็นพื้นเตียงวางเรียงเป็นแถวๆไปสุดแต่ใครจะเลือกพักบนเตียงใดและเตียงนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นดินอันได้ปราบพื้นไว้เรียบร้อย ที่พักแรมนี้จัดไว้โดยเอกเทศไม่ปะปนกับที่ขายอาหารโรงแฝกหลังที่ขายอาหารตั้งอยู่ใกล้ทางเดินส่วนโรงแฝกสำหรับใช้เป็นที่พักตั้งอยู่ลึกเข้าไปนอกจากนั้นยังมีโรงสกาซึ่งผู้ชอบการพนันพอใจยังเวลาให้ล่วงไปในที่นั้นด้วยความเพลิดเพลินบางคราวได้ก็ร่าเริงแจ่มใสบางคราวเสีย ก็ทออถอนใจและบางครั้งถึงกับคิดทำลายชีวิตของตนทั้งในโรงอาหารและโรงสกาย่อมมีต่างใหญ่น้อยทั้งเพื่อนั่งและเพื่อเป็นที่ตั้งอาหารและตั้งกระดานสกาเป็นแหล่งชุมนุมคนเดินทางและชาวบ้านหมู่ใหญ่นอกเมืองซึ่งพอใจจะบริโภคอาหารจะเล่นสกาหรือจะดื่มสุราปานาคารหรือโรงดื่มสุราภายในพระมหานคร ได้เป็นอันเลิกล้มไปสิ้นจำเดิมแต่พระเจ้าสุรเสนาทรงขอให้ชาวเมืองพากันงดเว้นหรือลดละหย่อนการดื่มสุราลงแต่ร้านภายนอกพระมานครกลับเจริญขึ้นและเป็นแหล่งชุมนุมชนใหญ่ภายในเวลาปฐมยามแห่งราตรีเมื่อประตูเมืองปิดแล้วราชบุรุษก็ตรวจตราแต่ภายในปราการส่วนนอกปราการนั้นไม่ได้อยู่ในเขตแห่งการตรวจตราจึงเป็นทุกอย่าง ที่เจ้าของโรงแฝกปรารถนาจะให้เป็นเช่นเป็นที่พักผู้เดินทางเป็นโรงอาหารเป็นโรงสุราและโรงการพนันด้วยประการรัชนีในที่ใดมีชนหมู่มากมีโรงสุราและโรงการพนันในที่นั้นย่อมมีผู้ตั้งตัวเป็นนักเลงเป็นเจ้าถิน่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมปะปนอยู่เป็นธรรมดา วัดสารรดูย่างเข้ามาแล้วคนเดินทางพ่อค้าเกวียนพ่อค้ามา้าและพ่อค้าที่เดินด้วยเท้าเปล่าต่างก็พยายามจะเดินเร่งให้ทันเวลาเข้าพักในเมืองก่อนที่หนทางทั่วไปจะเป็นลมเป็นตมจนเดินไม่ได้เพราะฝนตกหนักค่าวันนั้นโรงแฝกซึ่งกว้างขวางมีหลายตอนดูประหนึ่งบ้านเล็กไปเพราะชาวบ้านหมู่ใหญ่นอกเมือง รวมทั้งคนเดินทางที่เป็นพ่อค้าบ้างเป็นช่างบ้างเป็นคนธรรมดาซึ่งต้องการไปมาเยี่ยมเยียนพี่น้องบ้างไปรวมกันอยู่อย่างแออัดผู้ต้องการที่พักก็เข้าพักณนะโรงแฝกลึกเข้าไปผู้ต้องการอาหารต้องการสุราและต้องการเล่นสกาก็หาที่นั่งอันเหมาะแก่ความต้องการของตนสั่งอาหารสั่งสุราหรือเล่นสกาพนันกันแสงคบยาก และประทิมน้ำมันทั้งภายนอกและในโรงแฝกส่องแสงแม้จะไม่เหมือนเวลากลางวันแต่ก็สว่างพอที่จะทำให้มองเห็นหน้ากันได้ถนัดเพียงพูดจากันเสียงสวนเสฮ ห, หาย่อมเป็นประหนึ่งว่ายังไม่มีใครในที่นั้นรู้สึกว่าความทุกข์คืออะไร ในโรงสกาซึ่งเป็นช่างโรงจุราหรือปานาคารด้วยนั้นมีกระดานสกาอยู่สองกระดานมีคนนั่งบนต่างล้อมวงโยนลูกโลหะสี่เหลี่ยมเพื่อให้อายะที่ตนเลือกไว้ตกลงมาได้คะแนนที่กำหนดในขณะลงมือเล่นพ่อค้าเพชรคนหนึ่งพร้อมด้วยผู้ติดตามสามคนกำลังแพ้สกาใหญ่ชายร่างใหญ่นักเลงสกาเจ้าถิ่นอย่างแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว แต่ความเมาในการพนันและความหวังที่จะได้เงินที่เสียไปกลับคืนมาทำให้พ่อค้านั้นมุหมานะที่จะแจ้มือให้จงได้ดูเหมือนยิ่งแจ้มือก็ยิ่งสุดลงหนักจนถึงกับต้องนำเอาเพชรพลอยออกมาตีราคาแล้วเล่นกันต่อไปซึ่งก็คล้ายกับเป็นการมอบโอนสมบัติอันมีคา่าให้แก่นักเรงสกาเจ้าถิ่นโดยลาดับความเสียดายทรัพย์ของพ่อค้านั้นทาให้หน้าตา ซึ่งผิดปกติอยู่แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นหมองคล้ำและมีความคิดไกลออกไปถึงเรื่องการที่จะทำอย่างไรดีเมื่อหมดสิ้นทั้งทรัพย์สินเงินทองและสินค้าเพชรพลอยที่นำมาเพื่อการค้าแล้วความคิดแวบหนึ่งก็มาสู่พ่อค้านั้นคือความคิดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายอันเป็นวิธีทางออกสุดท้ายเมื่อต้องสูญสิ้นทุกอย่างโดยไม่มีทางแก้แล้ว มุมสุดข้างๆต่างสกานั้นมีมานพหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวรัดกลุ่มโภคศีษะนั่งมองดูเหตุการณ์นั้นอย่างเงียบๆไม่มีใครในที่นั้นรู้จักเขาและไม่ทันสังเกต ด, ด้วยซ้าว่าเข้ามานั่งอยู่เมื่อไรแต่ลักษณะที่พวกภาคได้ปิดบังส่วนของหน้าผากทำให้ยากที่จะมองเห็นเขาหน้าอันแท้จริงโดยเด่นชัดเมื่อกระหัสน่ากองสุดท้ายถูกกวาด ไปไวข้างหน้าของนักเล่นส ก, กาเจ้าของถินนั้นภายหลังที่การโยนลูกส ก, กาของพ่อค้าแพ้อีกชายหนุ่มคนนั้นก็ลุกขึ้นจากตังตรงเข้าไปตบหลังพ่อค้านั้นเบาๆเป็นเชิงปลอบใจและกล่าวว่าข้าพเจ้าจะช่วยท่านให้พ้นความหายณะครั้งนี้แต่ท่านจะต้องรับรองว่าจะเลิกเล่นส ก, กาตั้งแต่บัดนี้ไป อย่างมิทันที่พ่อค้าซึ่งตะลึงในความหายน่ของตนจะทันพูดว่ากระไรนักเล่งสกาเจ้าถิ่นก็หัวรอะขึ้นด้วยเสียงอันดังพร้อมกับกล่าวสำทับขึ้นว่าเจ้าหนุ่มน้อยจะ่รนหาความวอดวายอีกคนหนึ่งหรือรูปร่างอย่างเจ้าควรจะเป็นผู้หญิงมากกว่าจะมายุ่งด้วยสกาอย่างนี้ชายหนุ่มก้มศีรษะให้จ้นักเลงสกาแต่ไม่ตอบกลับจ้องหน้า คาดคันคําตอบจากพ่อค้านั้นพร้อมกับพูดต่อไปว่าว่าอย่างไรจะรับปากกับข้าพเจ้าได้หรือไม่ว่าจะเลิกเล่นส ก, กาจนตลอดชีวิตแล้วข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านพ้นผ่านพินาศพ่อค้าพูดพึมพำอยู่ในคอด้วยความงุนงงแต่ในที่สุดก็รับปากออกมาว่าถ้าช่วยให้ไม่ต้องล่มจมได้ตนจะเลิกเล่นส ก, กาตลอดไปชายหนุ่ม อันมาทางนักเลงสกาเจ้าถิ่นพลางแจ่หอกหาปนะทองคำกองใหญ่ออกมาวางข้างหน้ากล่าวด้วยวาจาอ่อนโยนว่าท่านผู้เจริญโปรดเลือกอายะที่ท่านต้องการแล้วโยนลูกก่อนครั้งแรกเราชิดเงินกันเพียงร้อยหาปนะทองเท่านี้ นักเลงสกาหัวเรอดอย่างเยอ้ยอยันแล้วกล่าวว่าเจ้าหนุ่มน้อยเมื่อเตือนแล้วเจ้าไม่ฟังก็จะต้องสั่งสอนกันไว้ให้รู้สึกสํานึกบ้างข้าจะเลือกอายะลูกพัฒราแล้วเจ้าเล่าจะเลือกลูกอะไรชายหนุ่มเลือกลูกสันติใน24ลูกครันแล้วนักเล็งสกาก็โยนลูกทันทีเมื่อลูกตกลงมาแล้วก็ดีใจหัวเราะเสียงดังเพราะถ้าจะเทียบคะแนนหรือลักขะแล้ว ในส0บลักขะนักเลงส ก, กาได้ถึง8ดลักขะซึ่งนาาักวากเป็นฝีมือที่ดีจริงๆชายหนุ่มยิ้มไม่กล่าววาจาแต่ประการไรเอื้อมมือไปรวบลูกส ก, กามาไว้ด้วยกันแกว่งอย่างมีจังหวะแล้วโยนขึ้นไปพร้อมกับพูดว่าฉันเอาชนะเพียงลักขะเดียวก็พอซึ่งก็เป็นการน่าประหลาดว่าเมื่อลูกตกลงมาบนแผ่นกระดานแล้วชายหนุ่มได้คะแนนชนะนักเลงส ก, กา หลักขะซึ่งนับว่าเป็นฝ่ายชนะทําให้คนดูในที่นั้นร้องหาด้วยความแปลกใจแต่เพิ่มความโกรธให้นักเลงสกาอย่างยิ่งเขารวบลูกและโยนขึ้นไปอีกคราวนี้ความที่อารมณ์ผิดปกติกลับได้เพียง7กีลักขะเท่านั้นชายหนุ่มโยนลูกขึ้นไปอีกพร้อมกับพูดว่าเอาชนะเพียงหนึ่งลักขะซึ่งก็เป็นความจริงตามวาจานั้นทุกประการ อันเป็นการเพิ่มความเครียดแค้นแก่นักเดงศายิ่งขึ้นเขาท้ากองกหาปณะทองคำให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวทันทีแล้วพยายามรวบลูกบรรจงโยนอย่างตั้งใจคราวนี้ได้ถึง9กลักขะซึ่งนับว่ามีหวังชนะอย่างเต็มที่แต่ชายหนุ่มก็บรรจงรวบลูกอย่างระมัดระวังแล้วโยนด้วยอาการสงบคราวนี้ลูกที่ตกลงมา เมืนหนึ่งแกล้งจับวางได้ครบที่สิบลักขะพ่อค้าเพชรถึงกับกระโดดด้วยความดีใจปากกล่าวสรรเสริญชายหนุ่มอยู่ตลอดเวลานักเลงสกาขอเปลี่ยนอาญะลูกใหม่เป็นสาวตีชายหนุ่มก็เปลี่ยนใหม่เป็นมาลีแต่ผลก็คงปรากฏว่าชายหนุ่ม ได้ชัยชนะอย่างที่นักเลงสกานั้นไม่มีทางจะสู้ได้ทรัพย์สินเงินทองของพ่อค้าเพชรได้กลับมาสู่ชายหนุ่มนั้นแถมยังมีกําไรจากนักเลงสกาอีกส่วนหนึ่งเมื่อเห็นว่าสมควรจะเลิกได้แล้วชายหนุ่มก็ชวนเลิกและให้พ่อค้าเพชรรับเงินคืนและเพชรพลอยไปส่วนที่ได้กาไรจากนักเลงสกาเท่าไหร่ก็คืนให้นักเลงสกาไปตนรวมเงินเป็น หนึ่งร้อยาปนาทองคำของเดิมไว้ในถุงแล้วก็ทำท่าจะลุกเดินออกไปนักเลงสกาแกล้งเอาลูกโลหะฟาดลงกับกระดานแล้วร้องตะวาดว่าเล่นได้แล้วจะเลิกไม่ได้ต้องให้ตนยินยอมจึงจะเลิกได้มิเะนั้นจะต้องเกิดเรื่องกันเสียงคว้างลูกสกาและเสียงตะวาดจะเรียกความสนใจของคนทั้งหลายให้หันมาทางโรงสกานั้นผู้คนจากโรงสุรา โรงอาหารก็มุงเข้ามาดูอยู่เนืองแน่นชายหนุ่มยิ้มแล้วตอบว่าเงินที่ข้าพเจ้าได้จากท่านข้าพเจ้าก็คืนให้ท่านแล้วเหตุฉไฉนข้าพเจ้าจึงเลิกเล่นไม่ได้เล่านักเลงสกาก็ส่งเสียงดังเอ็ดอึงชวนวิวาสพร้อมทั้งเรียกพวกพ้องให้ลุมล้อมชายหนุ่มเข้ามาพ่อคาเพชรสั่งให้คนติดตามสองคนเร่งช่วยชายหนุ่มส่วนตนเอง ก็รีบหอเพชรพลอยและหาปณะเพื่อจะเลี้ยงไปเก็บไว้กับน้องของตนที่โรงแฝกด้านในแล้วจะมาช่วยทีหลังเหตุการณ์ที่มีเขาจะกลายเป็นเรื่องฆ่าฟันกันก็เกิดขึ้นชายหนุ่มพูดขึ้นว่าเพื่อไม่ให้คนทั้งหลายในที่นี้ ต้องพลอยกระทบกระเทือนไปด้วยท่านักเลงสากาประชนาจะลองฝีมือกับตนก็ขอให้ออกไปนอกโรงแฝกคนก็แตกหือเปิดทางให้ชายหนุ่มนำเดินออกไปข้างนอกเขากล่าววาจาอย่างอาถรรน์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้มาในที่นี้เพื่อหาเรื่องทะเลาะวิวาทเมื่อเห็นพ่อค้าเพชรสิ้นเนื้อประดาตัวก็เข้ามาช่วยเพื่อได้ทรย์สินคืนเมื่อพ่ายแพ้สากา แต่ข้าพระเจ้าแล้วจะผ่านหาเรื่องข้าพระเจ้าก็พร้อมที่จะรับมือท่านคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยขอให้ยืนอยู่ด้านหน้าโรงแฝกนั้นผู้ใดล้ําเข้ามาข้าพระเจ้าจะถือว่าเป็นพวกนักเลงสกาครันแล้วชายหนุ่มก็ล้วงมือลงไปในย่ามที่สะพายบ่าหยิบกระสาหมายถึงแท่ซึ่งมีปลายเชือกหนังยาวออกมาถือไว พอนักเลงสกาพร้อมด้วยพักพวกรวมสามคนมีไม้พลองสั้นบ้างยาวบ้างกรกมือเดินล้ำโรงแฝกออกมาแส่นั้นก็ถูกหวดออกไปรัดคอชายทั้งสามคนพร้อมกันแล้วกระตุกแส่ขึ้นมาและพูดว่าขรภพเจ้าจะไม่สําท่านขอให้ท่านลุกขึ้นมาใหม่ทั้งสามคนขัดยอกลุกขึ้นมาด้วยอาการเจ็บปวดแต่ด้วยทิฐิมานะก็ตรงเข้าไปอีก แซ่ก็หวดออกมารัดล้มลงไปอีกท่ามกลางเสียงอื้ออึงและนิยมฝีมือแซ่ของชายหนุ่มและท่ามกลางความตะลึงพึงเพลิดของคนทั้งหลายและในขณะที่ชายทั้งสามยังนอนดิ้นเจ็บปวดอยู่นี่เองชายหนุ่มได้ร้องบอกว่าครับพเจ้าไม่มีเวลามากที่จะอยู่ในที่นี้จะขอลาไปก่อนและขอเตือนไม่ให้ใครตามมา การรับประทานอาหารจงดำเนินต่อไปผู้เดินทางจงได้พักผ่อนเสมอนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนจากไปข้าพเจ้าขอฝากถ้อยคำไว้สักเล็กน้อยว่าผู้ต้องการโชคลาภเพราะการพนันนั้นเหมือนหนึ่งผู้ต้องการพึ่งร่มเงาของก้อนเมฆอาจจะได้ผลบ้างเพียงชั่วครู่ยามพอก้อนเมฆคล้อยไปแสงแดดกล้าร้อนแรง ก็จะกราดลงมาทำความเดือดร้อนให้มีรู้สางส่วนผู้คิดตั้งตนด้วยความขยันหมั่นเพียรเปรียบเหมือนผู้สร้างบ้านมุงหลังคาเรียบร้อยซึ่งจะป้องกันแดดและฝนได้ยั่งยืนไม่ลุมลุ่มดันดอนเหมือนอาศัยเงาเมฆท่านทั้งหลายจงเลือกเอาเถิดว่าจะพึ่งเงาเมฆหรือมีบ้านเรือนของตนดีกว่าครานแล้วก็เดินทางไปยังม้าที่ผูกไว ขับฉี่หายไปในความมืดทิ้งความแปลกใจสนใจและความนิยมในน้ำใจนักรบไว้แก่คนผู้ยืนมุงดูกันอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่เพิ่มความฉงนให้จะคนทั้งหลายมากขึ้นก็คือปรากฏมีชายอีกสามคนแต่งตัวรัดกุมสะพายย่ามแบบเดียวกันซึ่งประปนอยู่ในกลุ่มชนนั้นได้เดินออกมาและขึ้นมา้าควบหายไปในทิศทางเดียวกันกับชายหนุ่มคนนั้น ซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามาแต่ไหนและรวมทั้งสี่คนนั้นเป็นใครมีเสียงโจ์ขานกันอื้ออึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างประหลาดมีเสียงด่าเสียงบริพาทของนักเลงสกาและผู้เป็นพวกพ้องเป็นไปสับสนสักครู่หนึ่ง แล้วชาวบ้านที่มาชุมนุมณรงแฝกนั้นก็แยกย้ายกันกลับสู่เคหสถานแห่งตนผู้เดินทางก็เข้าพักในที่พักไฟซึ่งตามสว่างอยู่เมื่อหัวค่ำดับมืดไปแล้วเห็นแต่โรงแฝกหลายหลังซึ่งปลูกติดกันในบริเวณนั้นเป็นเงาดำตะคุ่มเป็นพืชเป็นในราตรีกาลปักอันสะพรั่งด้วยแสงดาวเสียงฟ้าร้องเป็นระยะระยะ ไกลออกไปทางทิศเหนือเสมือนหนึ่งเป็นสัญญาณอันเตือนให้ทราบว่าฤดูฝนจะเยี่ยมมาในไม่ช้ามีบุคคลผู้หนึ่งภายใต้หลังคาโรงแฝกนั้นนอนไม่หลับแม้จะพยายามหลับตาหรือพลิกไปมาสักเท่าไหร่ก็ตามบุคคลผู้นั้นก็คือพ่อขาเพชรผู้ชอบสกาและก็เกือบจะต้องฆ่าตัวตายเพราะสกาแล้วโดยไม่ได้นึกฝันก็พ้นภัยสกานั้น ได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยการลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นการลงทุนอันยิ่งใหญ่ที่ต้องเสียดายเป็นอันมากนั้นคือการปฏิญญาว่าจะเลิกเล่นสกาตลอดไป